เป็นที่นิยมในหมู่คนไทยมาตั้งแต่เก่าก่อนได้มีนักกวีแต่งเป็นร่ายยาวสำหรับเทศมีสำนวนดีๆมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงเก่าศรีอยุธยาในสมัยกรุงเทพนี้ก็มีจนถึงเป็นธรรมเนียมในราชสำนักเจ้านายผู้ใหญ่ทรงพนวดยางบวชสามเดือนและต้องไปถวายเทพมหาชาติกันหนึ่งรัชกาลที่ห้า เมื่อทรงพนวดเนนก็ทรงถวายเทพมหาชาติกันหนึ่งราชการที่สโปรดให้กรมมื่นมเหสววนิววิราชทรงเป็นผู้จัดเครื่องกันในบัดนี้วัดอีกมากก็ยังนิยมเทพมหาชาติเป็นงานประจำปีเป็นการหาทุนก่อสร้างอะไรต่างๆในวัดเพราะฉะนั้นพระเวสสันดรท่านก็ได้ช่วยสร้างวัดสร้างถา ว, วัลวัตถุ และสิ่งต่างๆมามากมายสำหรับในเมืองไทยพระญาติที่มีอวุโสกว่าเมื่อได้ฟังและได้เห็นพระพุทธจันยาต่างๆในที่สุดก็ได้ถวายบังคมด้วยกันทั้งหมดแต่ในวันนั้นยังไม่มีใครอรัตนาพระพุทธเจ้าให้ไปสวยที่ไหนวันรุ่งขึ้นจินได้เสด็จออกทรงบินทบาทพร้อมกับภิกษุสงฆ์ฝ่ายพระญาติมีพระเจ้าสุดโทนะเป็นต้น ได้ทรงทราบข่าวดังนั้นก็หะหรกพระหัตไทยเพราะว่าผิดธรรมเนียมของขัตติยาวงศ์พระเจ้าสุโธทนะได้รีบเสด็จออกไปอย่างที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงบิณฑบาต ท, ท่านว่าพระเจ้าสุโธทนะได้ตรัสต่อว่าว่าได้ทรงปฏิบัติผิดวงหรือผิดตระกูลไม่มีธรรมเนียมที่กษัตริย์จะพิขาจาร์เหมือนอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า ได้ทรงปฏิบัติตามวงของพระพุท ธ, ธไม่ใช่วงของขัตติยะได้ทรงเป็นพระพุท ธ, ธทรงปฏิบัติตามวงของพระพุท ธ, ธแล้วก็ได้ตรัสพระกถาว่าอุตติเถนะปะมัชยะเป็นต้นที่แปลความว่าบุคคลไม่พึงประมาทในอาหารที่เป็นเดรนหรือในก้อนข้าวที่พึ่งลุกขึ้นรับพึงประพฤติ ธ, ธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติ ธ, ธรรมนั้น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 ก็รีบไปทูล น, นางชมนบทกรยาณีซึ่งเป็นคู่อภิเศกในวันนั้นของพนันทะนางก็รีบออกมาและเตือนให้รีบกลับฝ่ายพระนันทะก็ถือบาทตามพระพุทธเจ้าเรื่อยมาและก็ทรงนึกเรื่อยมาว่าพระพุทธเจ้าจะทรงรับบาทที่นี่ที่นั่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับก็ต้องถือบาทตามพระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนถึงนิโครธารามครั้นถึงนิโครธาลามแล้ว พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระนันท h ว่าจะบวชไหมพระนันท h ทูลตอบรับว่าจะบวชด้วยไม่กล้าจะขัดพระพุทธดัมรัตพระพุทธเจ้าก็โปรดให้สงฆ์บวชพระนันท h เป็นภิกษุต่อมาท่านกล่าวว่าเป็นวันที่เจ็ดดัสด็จเข้าไปส่งรับพัตหารในพระราชนิเวศพระนางยโสธราพิมพาซึ่งเป็นพระมารดาของราหุลพระโอรสของพระโพธิสัตว์ เมื่อก่อนทรงผนวดได้ทรงแต่งพระราหุลออกมาให้กราบทูลพระราชบิดาทํานองว่ากราบทูลขอพระราชสมบัติพระราหุลเวลานั้นว่ามีพระชนเจ็ดขวบออกมากราบทูลขอมรดกพระพุทธเจ้าก็ทรงนําพระราหุลไปนิโครธรามด้วยและเมื่อถึงนิโครธรามแล้วก็โปรดให้พระสารีบุตรบรรพชาพระราหุลเป็นสามเณนด้วยใช้วิธีให้รับสาระสาม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 และปฏิบัติความดีอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่จูงกันไปในด้านดีให้เกิดอริยทรัพย์ด้วยกันทุกๆุกฝ่ายฝ่ายพระเจ้าสุดโททนะเมื่อได้ทรงทราบดังนั้นก็ทรงมีความทุกข์เป็นอย่างยิ่งได้รีบเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถึงความทุกข์ในพระาราชหฤทัยว่าเมื่อพระบิดาเจ้าได้เสด็จออกทรงพนวดนั้นก็ทรงประสบความทุกข์อย่างใหญ่เป็นครั้งแรก ครั้นเมื่อพระนันทะออกทรงพนวดอีกก็ทรงประสบความทุกข์เป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังหวังอยู่ว่ายังมีพระราหุลจะทรงเป็นผู้สื่อพระชงงต่อไปแต่มาครั้งนี้พระราหุลมาทรงพนวดอีกก็ยิ่งทรงประสบความทุกข์อย่างหนักเป็นครั้งที่สามเพราะฉะนั้นก็ทรงขอประธานพรพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าได้ทรงล่วงพรเสียแล้ว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 ในอัตถกถานั่นเองได้มีเรื่องที่เป็นเบื้องต้นไว้ว่าพระเจ้าสุโทธทนะได้ส่งทูตมาเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ารวมทั้งหมดเป็นสิบคนทั้งการุธายีอมาตและส่งมาทีละคนเมื่อส่งมาคนหนึ่งเห็นหายไปก็ส่งมาอีกคนหนึ่งรวมจนถึงคนที่สิบจึงสำเร็จถ้าเป็นจริงตามนี้ระยะเวลาที่จะเสด็จกรุงกบิลพัหน้าพรรษาที่สองก็คงเป็นไปไม่ได้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 พระพุทธเจ้าได้ทรงพาพระนันทะและพระราหุลเสด็จกลับมากรุงราชคฤิสประทับจำพรรษาที่สองที่พระเวรวรแต่ในหลักฐานชั้นบาลีกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงขนวดพระราหุลเป็นสามเณรแล้วก็ได้เสด็จจากกรุงกบิลพั์ไปนครสาวัตถีแคว้นโกศลขัดกันอยู่ฉะนั้นเรื่องการหมดพระราหุลอาจจะเป็นการเสด็จในครั้งที่สองก็ได้ เราได้เสด็จกรุงกบิลพั์อีกครั้งหนึ่งในภายหลังและในครั้งหลังนั้นได้เสด็จจาพรรษาที่นิโครัทารามราหุโลวาทสูตรแต่ก็มีพระสูตรบางพระสูตรที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมพระราหุนที่พระเวรุวันซึ่งท่านพระอัตฉราาิยจารย์ท่ล่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าโปรดให้บวชพระราหุนนั้นพระราหุนมีจันทาได้เพียงเจ็ดพันสา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 ที่มีเหลืออยู่น้อยในภาชนะน้านั้นแล้วก็ตรัสสั่งให้พระราหุนเทน้าทิ้งให้หมดตรัสโอวาทต่อไปว่าความละอายในเพราะพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ไม่มีแก่ผู้ใดความเป็นสมณนาของผู้นั้นก็ต้องถูกทิ้งเสียแล้วเหมือนอย่างน้าในภาชนะน้าที่เขาทิ้งเสียหมดแล้วก็ตรัสสั่งให้พระราหุนว่าภาชนะน้านั้นแล้วทรงสั่งให้พระราหุน ไห้ภาชนะน้ํานั้นก็เป็นภาชนะน้ําที่ว่างเปล่าก็ตรัสโอวาสสกต่อไปอีกว่าความละอายในเพราะพูดเทศทั้งที่รู้อยู่ไม่มีแก่ผู้ใดความเป็นสมณะของผู้นั้นก็ว่างเปล่าอย่างเช่นภาชนะน้ําที่งายขึ้นว่างเปล่าฉะนั้นต่อจากนี้ก็ตรัสอุปมาอีกข้อหนึ่งว่าเหมือนอย่างช้างศิก ข, ของพระเจ้าแผ่นดินที่ฝึกขัดไว้เป็นอย่างดี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 และก็ไม่มีอะไรที่ชางนั้นไม่ได้ทำชั้นในก็ดีถ้าไม่มีความละอายที่จะพูดเท็จท้งรู้ก็กล่าวไม่ได้ว่าจะไม่ทำบาปอะไระไรแต่ถ้ามีความละอายในอยู่อันที่จะพูดเท็จทั้งรู้งดเว้นจากการพูดเท็จเสียได้จึงจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ไม่ทำบาปเมื่อได้ตรัสโอวาดังนี้แล้วจึงสรุปให้พระราหุนศึกษาว่าจะไม่พูดเท็จแม้เพื่อจะหัวรบเล่น ต่อจากนั้นได้ทรงสอนให้พระราหุลปจัจจเวกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมได้ทรงชักวัตถุอย่างหนึ่งมาเปรียบเทียบคือตรัสถามว่าแว่นส่องมีประโยชน์อะไรพระราหุลก็กราบทูลว่ามีประโยชน์เพื่อจะปะจัจจเว ค, คือว่าได้ตรวจดูหน้าตาเป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงได้ประทานพระโอวาทสืบต่อไปว่าคนที่จะปะจัจจเวก ค, คือพิจารณาก่อนแล้วจึงทากายกรรมวจีกรรม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 เมื่อกำลังทากำลังพูดกำลังคิดก็ให้ปัจเจเวคว่าบัดนี้เรากำลังทากำลังพูดกำลังคิดอย่างนี้แต่ว่าการทาการพูดการคิดอย่างนี้เป็นอย่างไรเมื่อปัจเจเวก็จะรู้เมื่อรู้ว่าเป็นส่วนไม่ดีก็ให้เลิกเสียเมื่อรู้ว่าเป็นส่วนดีก็ให้ทำเพิ่มเติมต่อไปอันหนึง่งทาพูดคิดมาแล้วก็ให้ปัจจเวเหมือนกันว่า